ที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะในในจิตหนึ่งดวงเนี่ยถ้าว่าโดยเจตสิกประกอบไปด้วยภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกะขะตาชีวิตติรีเนี่ยนะ เป็นต้นนะยกมาตัวอย่างหนึ่งดวง <c oughs> ทำไมไม่เอาเจตสิกอย่างอื่นๆมาเป็นตัวตั้งชื่อชื่อจิตละ่ะเนี่ยนะทำไมจิตดวงนี้ไม่ขึ้นต้นด้วยภาษาทิฏฐิหรืออะไรยังงนะไม่เอาเจตสิกอื่นๆมาตั้งเพราะว่าไอความเด่นชาติมันโ้เวทนาไม่ได้เนี่ยนะ เวทนาอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่สวยอารมณ์แต่ถ้ากล่าวโดยประเภทเวทนาเนี่ยมี5โดยอินทรีย์นนะคือสุขขินทรีย์อย่างหนึ่งทุกขินทรีย์เนี่ยอย่างหนึ่งโสมนัสสินทรียเนี่ยอย่างหนึ่งโทมนัสสินทรียเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วก็อุเบกขินทรีย์เนี่ยอย่างหนึ่งเพราะเวทนาอย่างเดียวถ้ากล่าวโดยอินทรีย์นี่มีหอย่าง ส่วนเจตสิกอื่นๆเนี่ยมีไหมที่จะขยายได้ขนาดนี้ไม่มีเนี่ยนะแล้วเวทนาอย่างเวทนาเนี่ยถ้ากล่าวโดยสภาวะก็หนึ่งกล่าวโดยอินทรีย์ก็5ทีนี้ที่ที่ทั้งๆที่มันเป็นเวทนาแต่ว่าไปเกิดกับจิต ร, ร่วมต่างดวงต่างๆเวทนามันก็เป็นไปตามต่างๆอินทรีย์ก็ต่างๆเพราะฉะนั้นเอาอินทรีย์มาตั้งมันจึงชัดดีเนี่ยนะเอามาตั้งชื่อนะเหตุที่เรียกว่าขึ้นต้นด้วยโสมนัส อันนี้เหตุอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่สองก็คือเอาทิฐิขึ้นมามาเป็นตัวประกอบเพราะว่าทิฐินี้เป็นจิตที่สาธารณะกับโลภะเท่านั้นส่วนปฏิฆะอย่างดวงที่สองเนี่ยนะหรือดวงที่สามก็อุทธจจะหรือวิจิกิจชาที่ที่เป็นโมหะนะ พวกนี้เอามาเป็นสัมปยุต ธ, ธรรมมันเด่นชัดดีแต่ถ้าเอาอย่างอื่นมาเนี่ยนะเอาโมหะมาโมหะมันเกิดร่วงกัะจิตทุกดวงมันก็ยากานะเอากุศลมามันก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นตัวที่เหมาะสมในชั้นแรกคือเวทนากรอย่างที่สองก็คือทิฏฐิปฏิฆะอุทธจจะปิจิกิจชาแยกส่วนไหนที่ที่มันดูชัดเจนเนนะเพราะฉะนั้นก็เอาแยกสัมปยุต ธ, ธรรมที่ชัดๆอะ่ะมาเป็นตัวตั้งชื่อ จริงคำพีชันดีกาเนี่ยแสดงละเอียดบอกแม้กระทั่งว่าทำไมจึงตั้งชื่อแบบนั้นด้วยเห็นแล้วก็เอาเวทนาเหล่านี้มาเป็นตัวตั้งเห็นไหมโสมนัสโทมัสและอุเบค า, าทีนี้ในเฉพาะโลภะเจตสิกอขออภัยในโลภะมูลจิตนี่มีเวทนาอยู่แค่สองเวทนาคือที่เป็น โสมนัสอย่างหนึ่งที่เป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งอะไรเป็นตัวกาหนดให้โสมนัสอะไรเป็นตัวกาหนดให้เกิดอุเบกขาท่านก็บอกว่าอารมณ์นะอารามณปะปัจจัยเนี่ยสำคัญต่อเวทนาถ้าเวทนาเป็นประเภทอิทธารมคืออิทธะนะอิทธะแปลว่าหน้าปรารถนาคือตัวอารมณ์นั้นเป็นสภาพที่น่าปรารถนาโดยสภาวะของเขาเอง เช่นสีที่น่าปรารถนาเสียงที่น่าปรารถนากลิ่นรสโพธิภาพที่น่าปรารถนาหรือธรรมารมที่น่าปรารถนานี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปริกัปปะสมัยใหม่เขาเรียกว่าวิปริตนะนะเช่นคนที่เขาชอบเช่นป ร, ราเนี่ยมันไม่ได้หอมอะไรเลยนะแต่บางคนนี่ได้กลิ่นปั๊บนี่มันหมายมันมั น, ม, นมันชอบมากอะ่ะก็ลักษณะนี้พวกนี้เป็นพวกกลุ่มปริกกัปปะ นนะก็โสมนัสอ่ะนะพอได้กลิ่นทั้งๆที่เป็นอกุศลวิบากอะ่ะแต่ว่ามันโสมนัสได้เพราะอะไรเพราะปริกัปปะอิทธารมคือไอ้คำว่าปริกัปปะเนี่ยนะอ่ะมันไม่ค่อยแน่นอนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบคือว่าเป็นวิบากเป็นอกุศลอ่ว่าโดยวิบากเป็นอกุศลที่ที่คือโสมนัสเนี่ยนะมายังไงโสมนัสที่ ในชาวนะโดยทั่วๆไปเนี่ยมาจากทวิปัญจะโดยรวมๆแล้วทวิปัญจะที่เป็นกุศลวิบากจะก่อให้เกิดโสมนัสทีนี้มันมีไอทวิปัญจะที่เป็นอกุศลวิบากเนี่ยนะบางคนเนี่ยโสมนัสกับสัตว์บางประเภทบางกลุ่มบางคนเนี่ยนะเช่นอะไรที่ถ้าอย่างอาหารนะถ้ามันเผ็ดหน่อยนี่แหมอร่อยมาก ไม่อนนัวิบากก็ไม่ไม่เกี่ยวแต่ไม่ไม่เกี่ยวกับวิบากเพราะวิบากนั้นก็ว่าโดยสภาวะมันดีหรือไม่ดีว่าว่ า, ว, าว่าเฉพาะเรื่องนั้นไปเลยเนี่ยนะเพราะถ้าสมมุติว่า อ, อ, อย่างการบีบการนวดของบางคนเนี่ยมันเจ็บมากใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยแหมมีความสุขกับกับยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะเวลาถูกเจ็บแบบนั้นนะเจ็บด้วยหัวเราะด้วยขำไปสนุกไป แต่ไอ้บางคนเนี่ยมันเจ็บขนาดนั้นเนี่ยโทรสะตายเ น, นนะเพราะฉะนั้นในในเวทนาอย่างเดียวกันนะ่ะที่เป็นชาติวิบากกันนะแต่ว่าในแง่าชาวนาะและจะไม่เหมือนกันหรือพริกเผ็ดเนี่ย น, นะบางคนเนี่ยกินเผ็ดไปปากก็ซี๊ซานะแต่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะคิกคั ก, คลกเลยนะสนุกไปเลยเพราะมีความสุขแบบนั้นมากกับที่กินเผ็ดๆนั่นแหละ ไอ้บางคนเนี่ยเผ็ดหน่อยเนี่ยแหมมันนึกขายพริกจากที่ไหนมาจากตรงไหนมันจะตามไปถอนรากถอนโคนถึงโ น, น่นเลยนะคิดหลากหลขนาดนั้นเลพราะฉะั้นไอ้เผ็ดเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเวทนาในชาวนะจะแตกต่างกัน น, นั่นแหละแล้วก็อยู่ที่ชาวนะนะว่าชาวนะเป็นปัจจัยแต่ชาวนะเหล่านี้อา ศ, าศาัยอะไรก็คืออาศาัยอารมณ์ แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นมัชชตะเนี่ยนะมัชชตะคือมันปานกลางอ่ะนะคือมันไม่ถึงกับไม่เลวอะ่ะแต่ถ้าเป็นโทมนัทนะยกโทมานัทมาเลยถ้าโทมานัทนี่มันจะเข้าไออนิธาอนิธารมเนี่ยนะอานิธะกับปริกับปะอิานิธา จริงๆอ่ะมันของดีอ่ะแต่บางคนไม่ชอบบางคนเนี่ยเห็นข้าวหอมมะลิะแล้วไม่ชอบเลยมันต้องถ้าห้าวาคาหักปนๆหน่อยก็ไม่เป็นไร <c oughs> ย่งเงี้คือคือถ้าต้องไปรับแบบมัชตะได้แต่ว่าแบบดีๆไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนก็จะเป็นแบบนั้น <c oughs> ใช่อย่างบางคนที่ว่าในสมัยโบราณได้ยินบ่อยคือเศรษฐีที่ใช้ผ้าเนื้อดีเนื้อละเอียดไม่ได้ ต้องไปใช้ผ้าป่านเนี่ยนะที่มันหนักๆใช่ยอย่างนั้นแล้วหอมดีมีน้ำหนักอย่างนะั้นใช้รถใหม่ๆไม่ได้ต้องซ่อมไปใช้ไปะนะผูกๆพังๆเนี่ยได้เพรา ะ, ะนั้นก็ก็แล้วแต่ชาวนะที่มันเกิดอ่ะนะแต่ว่าส่วนนี้ถามว่าที่มันเป็นอย่างนี้มาจากไหนอันนี้อุปนิสัยเก่าเดิมด้วยอยันนะอันนี้มองแบบปกกตูปัานิสัยนะแต่ น, นี้มองแบบชาติวิบากมองใกล้ๆมองเฉพาะอารมณ์ นะเพราะาองค์ประกอบของความคิดที่เกิดขึ้นในหนึ่งขณะมีมากนะไม่ใช่อย่างเดียวเลยเรียกว่าแล้วแต่จะมองอะนะแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะพิจารณาเพราะนั้นตัวอารมณ์เป็นตัวกำหนดให้เวทนาเป็นไปต่างๆนะ่นถ้าสังเกตดูว่า เ, เราอยากให้คนข้างๆเขาโสมนัเราก็หาสิ่งที่เป็นอิทถารมณ์ของคนนั้นไปให้เขา เขาก็จะโสมมนับใช่ไหมถ้าเอาอนิถารมไปให้คนที่คนนั้นเรารู้ว่าเขาไม่ชอบอ่ะเอาอนิถารมที่เขาไม่ชอบอะนะไปพูดเขาจะโท ม, มนับทันทีเนี่ยนะอย่างสมมุติอย่างผู้การสมมติกับคุณนายไงนะไปหาคําไหนที่คุณนายชอบฟังเง น, นะก็พูดไปก็ยินนะ้มอะไปพูดคําหนึ่งที่คำนี้ก็ไม่อยากได้ยินเลยนะฟังแล้วก็หกเลยแล้ว ก, วก็อารมณ์เนี่ยตัวกําหนดเวทนาว่าจะให้ยิ้มก็ได้จะให้ ให้หัวเราะก็ได้ให้ร้องให้ก็ได้ให้ยังไงก็ได้เพราะนั้นวิธีพิจารณาเวทนากําหนดเวทนาในเวทนานุปัสนาเนี่ยเขากําหนดที่อารมณ์เนี่ยนะกำหนดที่อารมณ์ว่าอารมณ์มนั้นเป็น อ, อิทธารมหรือว่าอนิถารมหรือว่ามัชตารมเนี่ยนะก็จะตัวเลือกว่าเวทนาในตอนนั้นนั้นเป็นยังไง งคนที่ไม่สบายใจเนี่ยให้รู้ว่ามาจากอนิถารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาะถ้าคนที่กําลังสบายใจเนี่ยนะก็คือได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนาะแต่นี้พูดโดยเหตุปัจจัยแล้วนะจึงอธิบายโดยอารมมณปัจจัยเพราะว่าเช่นโลภามูลจิตโทสะมูลจิตโมหามูลจิตนี้ก็โดยพูดแสดงโดยเหตุตุปัจจัยแต่ว่า แล้วในจิตเรานี่ยนั้นเป็นโสมนัตโทมณัตอุเบขาเกิดจากอะไรเกิดจากอารมณ์ันนั้นอธิบายอารัมมณะปัจจัยเนี่ยนะจริงๆแล้วธรรมะทุกอย่างเนี่ยถ้ามองดีๆแล้วก็คือการอธิบายปัจจัยทั้งนั้นเองจะบอกหรือไม่บอกเท่านั้นเองเช่นว่าธรรมะที่สัมปยุตการเนี่ยสัมปยุตแตปัจจัยนะถ้าดวงก่อนเป็นปัจจัยกับดวงหลังก็อนันตระปัจจัยนะเอาชื่อปัจจัยมาเท่านั้นเองทางเกศสอไม่ชอบปัจจัยก็ฟังปัจจัยมาตั้งทุกวันอยู่แล้ว แต่อย่าบอกว่าเรื่องปัจจัยอยู่นะได้หน้าสี่สิบนะว่ากล่าวถึงโลภาแต่ละดวงเลยนะว่าเมื่อใดบุคคลทำมิจฉาทิฐิเป็นเบื้องหน้าโดยในเป็นต้นว่ากามทั้งหลายไม่มีโทษดังนี้แล้วร่าเริงยินดีบริโภคกามทั้งหลายก็ดีเนี่ยนะ เชื่อมงคลมีที่ถมมงคลเป็นต้นโดยเป็นสาระก็ดีด้วยจิตที่กล้าโดยสภาวะของตนไม่มีใครให้อุตสาหะเมื่อนั้นอากุศลจิตดวงที่หนึ่งย่อมเกิดขึ้นเนี่ยนะเช่นบริโภคการมไม่มีโทษไม่เป็นไรเนี่ยนะไม่เป็นไร่ไไรกินอาหารอร่อยอรกิเลสไม่เกิดรอกไม่บาปรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเรายกตัวอย่างนะมันไม่มีโทษรอกองเ้ยนะ โลภะเกิดเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีโทษอะไรงี้ยนะก็มีความสุขไปกับการทําอย่างนั้นอย่างนั้นไปอันนี้แหละที่เรียกว่าทิฐิเป็นเบื้องหน้าหรือพวกทิฏฐะมงคลเนี่ยนะไปดูสิ่งนี้นะเรียกว่ามงคลเนี่ยนะคือมงคลที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญไว้ในมงคลสามสิบแปดอ่ะนะเช่นเออเนี่ยถ้าใครดูอีกก้อนนี้นะเป็นมงคลอย่างยิ่งจะทําให้มีโชคมีลาบมีวาสนาอะไรก็ว่าไปไปดูต้นไผ่นะไปดูวัวห้าเท้าวนะ่ะอะ น, นี่ก็แล้วแต่ ไปดูคนสิบเอ็ดนิ้วอย่างเงี้ยนะไปดูคือไปหันดูอะไรที่มัน แ, แปลกแปกประหลาดเลยนะที่ถามงคลถ้าอย่างสมัยโบราณเนี่ยเขาเขาถือถิ่ามงคลมากนะถ้าเห็นเตือนชาออมาเนี่ยถ้าเห็นโคเนี่ยนะโคหัวหน้าฝูงเออนี่แหละเป็นมงคลหรือว่าไปฟังเสียงนะเช่นฟังเสียงคําว่าเจริญคําว่าโชคดีเนี่ยนะฟังเสียงเหล่านี้แล้วเป็นมงคลเตือนชามาถ้าได้กลิ่นธูปกลิ่นอะไรเนี่ยนี่เป็นมงคล เตื่นเช้ามาถ้าได้ดื่มอย่างนั้นดื่มอย่างนี้รถนั้นรถนี้อันนี้เป็นมงคลเตื่นเช้ามาถ้าได้รับกระทบโภตภาพแบบนั้นแบบนี้ถือว่าเป็นมงคลพวกเอ่อพวกถือมงคลเหล่านี้นะที่ไม่ได้อยู่ในมงคลสาสิบแปดที่พระพุทธเจ้าสอนกลุ่มนี้มีทิฐิเป็นเบื้องหน้าเ น, ะนาี่ยนะก็เป็นมงคลชนิดหนึ่งเป็นถ้าเ่ก็เป็นที่ถามงคลเนะ เกิดซื้อไม่ตกลงนี่โกรซื้อั้งแรกเชา้ชาเช้านี้ต่อแล้วไม่ซื้อเนี่ยไม่พอใจใอ่ใตกลงวันนั้นไม่ค่าโกรธมากไม่มงคลเลยวันนี้ซื้อเสร็จก็เอาแบงค์มามาปัดปัดซะน <c oughs> ของโลตัสก็ทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคนเข้าเยอะจังอะนะแบงค์ไปกวาดทั่วโลตัสนี่ มันไม่น่าน่าบางอย่างมันน่าจะคิดเป็นอะนะมันก็ไม่คิดไม่เป็นนี่ข้อสองนะว่าเมื่อใดบุคคลทํามิจฉาทิฏฐิไว้เบื้องหน้าโดยนายเป็นต้นว่าการมทั้งหลายไม่มีโทษแล้วร่าเริงยินดีบริโภคการมทั้งหลายก็ดีเชื่อมงคลมีทิฐามงคลเป็นต้นโดยเป็นสาระก็ดีด้วยจิตอ่อนมีผู้ให้อุตสาหะเมื่อนั้นอกุศลจิตดวงที่สองย่อมเกิดขึ้นเนี่ยนะก็คนอื่นชักนําอะนะือ ถ้าดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองต่างกันยังไงบอกว่าต่างโดยพวกดวงที่หนึ่งก็คือกลุ่มหัวหน้าดวงที่สองก็คือกลุ่มลูกน้องอะนะแต่ก็กิจกรรมร่วมกันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อใดบุคคลไม่ทํามิจฉาทิฏฐิไว้เบื้องหน้าร่าเริงยินดีอย่างเดียวแล้วเสพเมถุนบ้างประพฤติ ย่อมเพ่งเล็งสมบัติของคนอื่นบ้างย่อมรับทรัพย์ของคนอื่นบ้างด้วยจิตกล้าโดยสภาวะของตนไม่มีใครให้อุตสาหะกระตุน้นเมื่อ น, นั้นอกุศลจิตดวงที่สามย่อมเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เช่นตอนที่ช้อปปิ้งะนะก็ไม่ได้มีทิถีนําหน้าอะไรนะเื้อเ น, นี้อันนี้สวยนะอันนั่นอร่อยอะไรนะี่ก็ซื้อไปเรื่อยนะก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นน ะ, ะไม่ได้คิดว่าซื้ออันนี้ไปแล้วเป็นมงคลไม่เป็นมงคลอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้ปารกทิถีอะไร ก็จับจ่ายใช้สอยผ้าสวยไม่สวยอะไรก็ไปเรื่อยเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเป็นโลผ้าดวงที่สามเนี่ยนะแต่ถ้าเมื่อใดบุคคลไม่ทํามิจฉาทิฏฐิไว้เบื้องหน้าเนี่ยนะแต่ก็คนอื่นเขาชวนไปเนี่ยนะไปชมตลาดชมสวนชมอะไรก็ชมไปก็ไม่มีทิฏฐิอะไรเกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็เป็นอากุศลดวงที่สี่ส่วนดวงที่ห้าคือเมื่อใดบุคคล เป็นผู้เว้นจากโสมนัตทั้งสี่วาระเพราะอาศัยความไม่สมบูรณ์แห่งกามทั้งหลายก็ดีเพราะไม่มีเหตุแห่งโสมนัตอย่างอื่นก็ดีเมื่อนั้นอกุศลจิตสี่ดวงที่เหลือย่อมสหรฆ ด, ด้วยอุเบกขาย่อมเกิดขึ้นคื อ, เ, อเช่นถ้าอารมณ์นั้นมันไม่น่าปรารถนานะคือหมายว่าไปทานอาหารก็อาหารก็อุ้ยมันธรรมดามากๆเลยนะมันก็เลยไม่ได้ก่อให้เกิดโสมนัตอะไรเลย สมมติว่าใครซื้อเสื้อมาฝากเนี่ยนะแม้เสื้อปกติก็ใช้จําเจเบื่อเต็มที่อยู่แล้วแต่ก็เรก็พอสายได้นะแล้วซื้อประเภทนั้นมาฝากะนะก็เฉยเฉยอะไรงี้ยนะซื้ออาหารที่กินปกติแล้วสมมติซื้อปกติที่บ้านก็หุงข้าวแล้วเขาใครหุงข้าวมาฝากเนี่ยนะก็เฉยเฉยอยู่แล้วก็ไม่ได้โศมันัดอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมันซ้ําๆหรือที่ที่เราไม่ได้คิดว่าวัตถุนั้นพิเศษปกติจะอุเบกข า, านะนะ เพราะว่าอารมณ์ไม่เป็นอิทธารมเนี่ยนะนะคืออารมณ์ไม่น่าปรารถนาอย่างอย่างมากฉะนั้นะอารมณ์ทั่วๆไปจะก่อให้เกิดอุเบกขาอันะนั้นก็จำอันนตอนเห็นเห็นรถแรกๆ ก, ก, ก็โสมนัดมากเลนะดีใจมากตอนหลังอุเบกขาแตอ่อุเบกขานี่ไม่ใช่กุศล น, นะก็โลภะอีกอยู่ดีนนะคือตอนแรกมันเป็นอิทธารมใช่ไหมตอนหลังก็เป็นอิทธมัชตารม แต่ห้ามบินนะฮะบินแนละ้วอ น, นิถารมณ์มันจะเกิดเนี่ยนะ ก, ก็ว่าไปตามนั้ น, น, นไปแต่ตอนเห็นแรกๆพอใจดีใจอันนั้นก็เป็นอิทถ า, าร ม, ม น, นะโสมนัะ จ, จะเกิดพอตอนหลังเห็นบ่อยๆเข้าก็มัชตารล์ก่อนตอนหลังถ้าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งก็อ น, นิถารล์ไปเนี่ยนะก็วัตถุจะว่าเดียวก็ได้นะก็แต่ละระยะก็ก่อให้เกิดเวทนาที่แตกต่างกันไป นึกถึงโยมคนหนึ่งก็เล่านะตอนแรกก็ชอบฟังแม่บ้านพูดมากไปที่ไหนก็รอมาจะให้ฝ่ายพูดให้ฟังเรื่อยๆนะพออยู่กันไปนานๆบอกว่าเธอนี่พูดน้อยๆหน่อยได้ไหมก็ันฉันนี่รำคาญจะแย่อยู่แล้วเหมือนกันเคยเห็นก็ว่าให้ฟังนะ ทีนี้ปีสับนะปีสับที่ถ้าดูหน้าสองนะหน้าสองตัวหนาหนาหน่อยนะ s so. <S หน้าสองแรกแรกเลยเนพอนประชิดที่หนึ่งนะหน้าสอง <Okay. S 1> ห น, า, หนาข้างล่างอนะอิมานิอัตถปิโลภะสหกตะจิตตานินามะเนี่ยนะ อ, อิมานิอัตถปิ ปีตัวนั้นแหละที่ดีกามาขยายหน้า41ว่าปีศัพท์เนี่ยนะอัฏฐปิเนี่ยนะปีศัพท์ในบทว่าอัฏฐปิมีอันประมวลมาเป็นอัตเนี่ยนะด้วยปีศัพท์นั้นท่านอาจารย์ย่อมรวบรวมแม้ความที่สหรคตจิตสหรคตกับโลภะเหล่านั้นไว้ล้าอย่างโดยความต่างแห่งความเป็นไปแห่งกาละเนี่ยนะคือตัวปีศัพท์ตัวนี้นะ จริงๆแล้วยังประมวลอย่างอื่นว่าโลพะเหล่านี้เวลาเกิดนะเกี่ยวกับกาละด้วยนะกาละด้วยอย่างหนึ่งนะสองเทสะเทสะก็คือสถานที่3 ส, สันดานคือนิสัยของคนนั้นแล้วก็สีและอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะอารมณ์เป็นต้นก็เหตุอย่างอื่นอีกมากนะโดยสมควรแก่อกุศลกรรมบทโดยในที่จะกล่าวในประชิดที่5 บางทีก็เกี่ยวเนื่องว่าไอ้จิตอันนั้นมีกําลังมากพอจะล่วงองค์กรรมบดไหมหรือไม่ล่วงอะไรเงี้ยนะ ก, ก็องค์ประกอบที่จะไปวิเคราะห์ด้านอื่นๆในจิตนั้นๆอีกมากเพราะนี้เราพูดเฉพาะแต่จิตไม่ได้กล่าวถึงว่าจิตนี้ทําจิตตะชูบทไหมโลภะเนี่ยทำให้ผิดอธินาทานไหมการเมศสุมิจฉาจารหรือมูสาวาต ด, ดื่มสุราหรืออภิชา หรือไปเกิดร่วมกับมิจฉาทิถีครบองค์กรรมบดไหมล่วงองคไม้อะไรนี่เราไม่ได้วิเคราะห์ในแง่นะแต่วิเคราะห์ว่าจิตแบบนี้มีอยู่นะเนี่ยนะก็แยกประเภทของจิตก่อนแต่จริงๆถ้าเรียนทุกปริเชตก็คือการเอาจิตที่เรียนมานี่แหละมาหมุนเช่นปริเชตสองก็เอาเจตสิกที่อยู่ในจิตนั่นแหละมาที่บายปริเชตสก็มาวิเคราะห์จิตเจตสิกเหล่านั้นแหละโดยเวทนาเหตุกิจทวารอารมณ์เนี่ยนะ ประเฉดสก็จิตนั่นแหละมากล่าวโดยวิถีประเฉดห้าก็ไปเกี่ยวข้องว่าจิตเหล่านี้มันทํากรรมอะไรแล้วกรรมมันจะให้วิบากเกิดขึ้นได้ยังไงประเฉด6จิตเหล่านี้มันอาศัยรูปอะไรเนี่ยนะมันเกี่ยวกับรูปยังไงประเฉด7ก็กล่าวว่าประมวลเป็นขันอยนายตนะได้ไหมประเฉด8ก็กล่าวโดยปัจจัยประเฉด9ก็มันเกี่ยวอะไรกับสมถาวิปัสนาเนี่ยนะก็ก็กล่าวตามก็หมุนรอบๆอยู่นั่นแหละ